ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับบ่ายวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสัการพระเจ้าด้วยกันอีกบ่ายวันหนึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ทุกท่านคงรับทราบนะว่าหลายหน่วยงานร่วมกันจัดนิทรรศการการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับตามสารที่ต่างๆโดยเฉพาะ บริเวณสนามหลวงถ้าทุกท่านไปจะมีโอกาสได้ไปเห็นนะครับไปเห็นถึงหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เ ก, ก้าของเราได้ทำและเช่นเดียวกันโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งหนึ่งได้นํานักเรียนเข้าชมงานนะครับชมรัชกาลได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กที่อยู่ในโลกมือเหล่านั้นถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อมาเที่ยวงานเด็กตาบอดคนหนึ่งตอบว่า ซาบซึ้งมากไพเราะและสวยงามมากเมื่อเด็กต่อมาเช่นนีนะ้เมื่อเราคิดและมองในแง่ดีเด็กเหล่านี้อาจจะมีตาฝ่ายวิญญาณที่สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในความคิดและเป็นจินตนาการของเขาค น, เนคนหนคนฮินดูเช่นเดียวกั น, นครับคนฮินดูจะมีการแต้มสีกล ม, กลม ลงที่หน้าผากของตัวเองอาจจะเป็นสีขาวหรือสีแดงเรียกว่าทีลาก้านะครับซึ่งหมายถึงตาที่สามหรือเทิร์ดไอนะครับลักษณะเหมือนเป็นตาแห่งสติปัญญานะครับเพื่อมองในสิ่งที่ตาปัตตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเราทุกคนทราบว่าเราผู้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะ ตั้งแต่วันที่เราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณของเจ้าสิทธิ์ภายในนะครับคนที่เคยไปดูหมอเมื่อไปดูหมออีกครั้งหนึ่งเนี่ยหมอดูเขจะไม่ดูนะครับหมอดูเขาจะบอกเลยว่าไม่สามารถจะดูให้คุณได้นะครับคุณมีแสงสว่างในชีวิตคุณมีแสงสว่างเจ้าเราไม่สามารถดูให้คุณได้ แต่ไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปถามมาดูรครับแต่ให้รับทราบว่าเมื่อคนเราต้อนรับเยซูคริสตม์มาในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะมีพระวิญญาณของพระเจา้าสิทธิ์ในภายในภายในแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องนี้นะครับเรื่องของการดูหมอนะครับผมมีโอกาสได้ไปกับทีมสัมงคมสงเคราะห์ของกิจสัพพทานามีโอกาสได้ไปที่ปายนะครับที่อําเภอปายก่อนที่เราไปที่อำเภอปายครับเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเอ่อเอาผ้าห่มไปให้พี่น้องที่ เป็นชนเผ่าอยู่อีกที่นึงคนระผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่คือว่าเป็นที่เป็นภูเขาสูงนะไปไกลออกไปนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับ พ, พรก็คือว่าเราไปเจอผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับผู้รับใช้ท่านนั้นเนี่ยเป็นพยานให้เราฟังนะครับเล่าเราฟังว่าในคืนที่เขาได้รับการต่อต้านจากสังคมโดยรอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็น ยังนับถือผิวชนเผ่าเหล่านั้นก็ยังรับถือพิวแต่ว่าสิ่งที่เขามุ่งมั่นก็คือเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเรียนจบพรจบศาสนาศาสตร์มาแล้วต้องการที่จะไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นั่นต้องการที่ไปประกาศเรื่องของพระเจ้าให้กับชนเผ่าของเขาดันั้นนี่เขาก็ต้องทนเขาบอกว่าเขาไปอยู่เหมือนเป็นหัวเดียวกะเทียมรีบนะครับเขาต้องอธิษฐานกับพระเจ้าไปอย่างมากเพราะเขาไม่รู้จักไปปรึกษาใครก็ต้องปรึกษาพระเจ้าอย่างเดียวนะครับในคืน ในวันที่ช่วงเวลาที่เขาถูกการต่อต้านเนี่ยเขาบอกว่ามีคืนหนึ่งนะครับฝนตกหนักมากเลยนะฝนตกหนักมากเนี่ยเขาฟ้าฟ้าแรงมากเหมือนกับสมัยนีย้พี่น้องทราบนะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักฟ้าแรงมากนะฟ้าที่เราเคยได้ยินฟ้าผ่าเนี่ยตะก่อดเนี่ยมันไม่ดังเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ดังมันอยู่ไกลนะแต่เสียงมันดังเหมือนกับอยู่ใกล้ๆนะในเดี๋ยวนี้แบบ นะแบบตกใจจนจนอยากจะชินจนกลายเป็นไ ม, ไม่ไม่เกิดความตกใจเลยเวลาฟ้าผ่าครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับในคืนนั้นนะในคืนที่เมื่อสนิทเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มารู้อีกทีเมือ่อคือเมื่อลุ่งเช้าฟ้าฝนจบไปหมดแล้วผู้นําชนเผ่าต่างๆเนี่ยเข้ามาสวัสดีเขารู้สึกแปลกใจมากนะแล้วในสุดแล้วผู้นําผีผู้นําที่เป็นนับถือผีเรือนนั้นมาเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ย ที่ขณะที่ฝนตกหนักมากเนี่ยทั่วหมู่บ้านเนี่ยไฟดับหมดเลยแต่ผมมองมาเห็นโบสถ์ของอาจารย์นะไฟสว่างจ้าอยู่ที่เดียวเนี่ยอาจารย์มีเครื่องปั่นไฟหรือมีอะไรนะเขารู้สึกแปลกประหลาดใจคขาไมรู้จะตอบว่าไงนะครับเขาขอบคุณพระเจ้านะเขาขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาหลังจากนั้นมาผู้นําชนเผ่าเหล่านี้มาเชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็มามาสการที่โบสถ์เขา แล้วนะครับเป็นจุดเริ่มของที่เราจะเรียนรู้เรื่องความสว่างในวันนี้ด้วยกันนะครับพระพ์ได้พูดถึงความมืดและความสว่างครับเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงชัดเจนเลยนะว่าความชั่วกับความดีความจริงความเท็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระพิ์ตอนนี้ไม่ได้เตือนสติเฉพาะพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับตั้งใจที่จะเตือนสติคนทั้งโลกเลยนะครับ แต่จะมีสักกี่คนน่ที่จะมีกาสได้รู้ถึงเสียงต่างหเหล่านี้นะเราเป็นคริสเตียนเรามีกาดได้เรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัติต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่สาคัญครับถ้าจะพูดถึงในสมัยนี้เราจะเห็นชัดเจนนะว่าคนที่เขาแสวงหาพระเจ้ามีเยอะมากนะครับของในคริสตจักรเราเนี่ยหลังจากที่น้ำมศการภาคส0บนาฬิกาสนาฬิกาสิบห้านะครับ พอตอนเลือกโบสถก่อนที่ไปรับประทานอาหารเนี่ยจะมีพี่น้องมาให้ศีิบาลได้อธิษฐานเผื่อมีหลายคนที่ Wal- ์กอเข้ามาเดินเข้ามาเองเลยแสวงหาพระเจ้าบางคนเปิดดูในเว็บไซต์นะครับใน Google หาคริสตจักรที่อยู่ละแวกนี้แล้วเขาก็มาด้วยตัวเองนะครับเขาต้องการจะรู้จักพระเจ้าในสังคมสมัยปัจจุบันนะ ค, คนแสวงหาพระเจ้าเยอะนะครับแต่พระพีบอกกับเราครับว่าบอกว่ามีหลายทางที่มนุษย์คิดว่าถูกแต่นําไปถึงความพินาศ น่าสนใจนครับคริสเตียนเราจึงต้องหันมาพิจารณาถึงสิ่งนี้นะครับเพราะเราเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าเรียกเรามารู้จักกับความสว่างมีโอกาสได้เห็นถึงความสว่างและถูกเรียกให้ไปเป็นความสว่างไม่เพียงแต่ในครอบครัวของตัวเองนะครับไปทุกแห่งในโลกนะเพื่อเพื่อช่วยคนอีกหลายๆคนครับที่เขาจต้องการรู้จักกับพระเจ้าต้องการสแสวงหาพี่น้องคงจาได้ครับเคยเห็นเวลาที่ทีมงานเขาเอา โปสเตอร์ไปประกาศตามชุมชนน่ะคงจำภาพภาพหนึ่งได้ผมจะลองผมเล่าผมพูดถึงภาพนี้แล้วพี่น้องก็นึกภาพตามนะครับก็เป็นภาพของเป็นสังคมเมืองแล้วก็มีมือมือใหญ่ๆหลวงบนแล้วเขาแสดงภาพให้เห็นว่าเป็นมือของมาร น, นะครับเป็นมือของมารที่ครอบคุมอยู่เหนือนะครนะครนั้นนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่เราพอจะเข้าใจได้ว่า ในโลกยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีนะครับเราก็ยังอยู่ในสังคมที่เต็ไมไปด้วยความชั่วร้ายนะครับมีเรื่องของวิญญาณชั่วอะไรมากมายนะครับแต่เราคนของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตยังไงเ<ม>บื้องหลังของพระมปีตอนนี้พูดถึงเรื่องเกลือและความสว่างนะครับสิ่งที่พระเยซูตรัสในตอนนี้นะครับอยู่ในมัทธิวที่5และบทที่7นะครับบทที่5้าถึงบทที่7เนี่ยเป็นเรื่องของคําเทศนาบนภูเขานะครับ คำเทศนาบนภูเขาเนี่ยบางท่านอาจจะเคยรับฟังมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานนะเป็นบรรทัด ฐ, า น, นะนนฐานของคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับเป็นคําสอนของพระเยซูนะครับโดยเฉพาะคําสอนของพระเยซูเนี่ยเจาะจงนะครับไม่ได้เจาะจงว่าใครก็ได้มาฟังนะเจาะจงคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นสาวกของพระองค์นะในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูต้องการจะสื่อสารให้กับคนที่เป็นสาวกของพระองค์หรือก็คริสเตียนเรานี่เองนะครับนะครับ แลเรื่องที่พระเยซูสอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ว่าเรียกว่าเป็นจริยธรรมในสังคมหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกเลยบอกว่ามาตรฐานของพระเจ้าคือเป็นแบบนี้คนของพระเจ้ามันเป็นแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องถ้ามีโอกาสได้อ่านนะครับไปลองอ่านก่อนที่จะถึงพัมพีตอนนี้แล้ต่อไปอย่างพรมพีตอนนี้ลองอ่านดูนะครับมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่ามัน มันยากที่จะทําำลักษณะอย่านั้นยากคนธรรมดาก็ไม่ทํากันนะครับคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่ดังน้อยให้เรารู้ว่าถ้าเร า, าเราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเราสามารถทําได้นะโดยกฎก็คือมีอยู่ว่าต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องติดสนิทกับพระองค์แล้วเราจะทําตามมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7ได้นะครับโดยมาตรฐานแรกครับพระเยซูกล่าวถึงนะครับคริสเตียนจะต้องดําเนินชีวิตแบบเกลือและตะเกียง สิ่งที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเกลือตะเกียงเพราะว่ามันเป็นของใช้ในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคนยิวในสมัยนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยพูดปุ๊บคนจะเข้าใจแล้วจะลึกภาพตามได้นะพี่น้องก็ลองดึกเอาแต่ถ้าเป็นผู้สมัยนี้ควรจะพูดเรื่องอะไรก็คงจะพูดเรื่องเกลือตะเกียงเลยครับเพราะก็ยังอยู่ในอยู่ในครัวบ้านเราครับอยู่ในสังคมแต่ตะเกียงอาจจะเห็นไม่ค่อยเห็นกันผมก็มีมาให้ดูตะเกียงนะครับตะเกียงนี่ตะเกียงที่ไม่ถูกจุดนะครับตะเกียงที่ไม่ถูกจุด เพราะว่ามีโอกาสได้คุยน้องน้องอาสชนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับพูดถึงตะเกียงเจ้าพายุครับน้องๆ้องเขาเขาเลิกคิ้วไปข้างบนนะควานึกภาพไม่ออกผมก็แปลกใจามากเลยว่าคนรุ่นเขาอย่างนี้เป็นเป็นอะไรกันนะเพราะในสมัยผมเนี่ยปิดเทอมเนี่ยต้องขอที่บ้านไปกเกาะเสม็จนี่มันผ่านมาหลาย20สปีนะประมาณยี่สปีหนละถึงว่าคนเขาถึงนึกภาพไม่ออกแลยตะเกียงเจ้าพายุเป็นไงนึกภาพไม่ออกแต่ผู้ใหญ่จะรู้จักตะเกียงเจ้าพายุนะครับ แต่ผมไม่อยากจะนอกเรื่องนะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับว่าเกลือเนี่ยนะครับเกลือเรารู้จักกันดีเกลือเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณน่นแหละนะครับคนกรีกนะครับเขาเชื่อว่าเกลือเนี่ยมาจากพระเจ้าคนโรมันเนี่ยเขารู้เลยว่าเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคานะครับเช่นเดียวกันกันกบยุโรปนะครับทางประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้มีทางออกทาง ทะเลไม่ได้ติดทะเลเนี่ยเกลือมีค่ามากนะครับมีเกลมีค่ามากบ้านเราก็เช่นเดียวกันครับบ้านเราเอาเกลือมาเปรียบเทียบบอกว่ามาเปรียบเทียบกับความดีใช่ไหมครับจงรักษาความดีดูดเกลือรักษาความเค็มครับและในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับโดยเฉพาะตอนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับข้อ1 4บสถึงสิเนี่ยนะครับพูดถึงชีวิตคริสเตียนนะครับโดยชีวิตเราทั้งหลายเนี่ยโดยเปรียบ ความสว่างเนี่ยว่าเป็นคุณภาพความสว่างในที่นี้ไม่เป็นความความสว่างที่เกิดขึ้นจากคนอื่นมือนกัผมกลืนนําไปตอนแรกแล้วความสว่างในที่นี้คือความสว่างในตัวเราดังนั้นเนี่ยคุณภาพความสว่างเนี่ยจะกี่ w a t เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะส่องสว่างให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นตัวเราเห็นชีวิตเรายังไงเป็นคุณภาพชีวิตของเราแต่ละคนนะครับเพราะพระเยซูสอนต้องการบทเนี่ยต้องการสอนเน้นนะครับว่าเราต้องสําเดงคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยนะครับ ไม่เพียงแต่คนในครอบครัวเรานะครับต้องไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่ก่าแสงที่เราจะส่งออกไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสานะใดของสังคมนะครับจะอยู่ในสานะของความเป็นพ่อในครอบครัวความเป็นเจ้านายที่ทํางานหรือความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกท่านต้องสัมเดงความสว่างออกมาและพระองค์ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นความจริง3าประการนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราเร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนะครับ พระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เลยว่าบ่ายวันนี้พระองค์ทรงโปรดประทานอากาศที่แจ่มใสท้องฟ้าที่เปิดออกแสงสว่างจ้าแต่ขอพระองค์ทรงโปรดนําพาเราให้เรียนรู้การพระวจนะในบ่ายวันนี้จะไม่เกิดความง่วงเหงาหงานอนแต่ขอพระองค์ทรงโปรดนําพาเราเคลื่อนไหวในจิตใจของเราในความคิดของเรา ให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไม่จะเป็นเพียงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ได้รับการสกิเตือนจากพระองค์เพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะสามารถถูกนำไปปรับใช้โดยการพึ่งพาพระองค์ตามขนาดความเชื่องเราตามความเหมาะสมของเราเพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้จะไม่ยากจนเกินไปจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อที่ที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์สอน และมีชีวิตเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงขอมอบเวลาตอนนี้นี้ไปให้พระองค์ได้รับเกียรติแพียงผู้เดียวขอบคุณพระองค์กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนนะครับเมื่อตะแกีงถูกจุดนะครับอย่างแรกที่ทําให้เรารู้นะครับก็คือเราทั้งหลายเป็นความสว่างนะครับในข้อ14บอกกับเรา้าอย่างชาัดเจนนะบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนะครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ประโยคนี้นะครับเป็นการเตือนสตินะครับ เตียนสาวกของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเนี่ยสาวกพระเยซูเนี่ยอยู่กับพระเยซูยังไม่ดีไปไหนนะครับติดตามพระองค์นะครั บ, นะรบพระเยซูพยายามจะบอกเขารู้ฐานะของตัวเองว่าพวกเขาเนี่เป็นความสว่างของโลกและข้อความนี้เองครับนะก็เลยมาถึงเราในยุค ป, ปัจจุบันนี้มาถึงเราทั้งหลายที่นั่งในทีน่นี้พระเยซูเปรียบเทียบคริสเตียนว่าเป็นความสว่างที่มีความจําเป็นต่อสังคมโลกปัจจุบันนะครับ เพราะว่าในขณะที่พระเยซูพูดในสมัยนั้นนะครับโลกอยู่ในสภาพที่พระเยซูเห็นแล้วว่าความบาปเนี่ยเริ่มเข้ามาไม่เพียงแต่เห็นว่าคนที่ที่ไม่เอาพระองค์นะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นไฟสีเป็นสุดูสีเนี่ยคนที่เหมือนจะมีพระเจ้าแต่ว่ามีการต่อต้านกันเองที่ไม่ยอมรับคนนะไม่ยอมรับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยทำให้พระเยซูพอจะเห็นแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะ ไปในทิศทางใดนะครับโดยพระเยซูเปรียบเทียบให้เห็นความสว่างเนี่ยโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าในสมัยนั้นเนะ่ยเวลาบอกว่าพูดถึงถ้าว่ามือดอะ่ะมือดอย่างนั้นจริงครับมืดเหมือนตอนที่เคยติดอยู่ในลิฟต์ไหมครับเคยติดอยู่ในลิฟต์มั้ยมืดหรือสว่างครับสว่างครับอยู่ติดอยู่ในลิฟตนะ์เนี่ยไฟเปิดอยู่ครับไม่มีผมยังไม่เคยเห็นนะว่าอยู่ในลิฟตนะ์เนี่ยมืดเพราะผมเคยติดอยู่ในลิฟต์ตอนไปร้องเพลง คือสมาทที่โรงพยาบาลกรุงเทพไม่น่าเอ่ยชื่อออกมาเลยนะเดอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่ามีแต่ความสว่างนะแต่รอเวลาการมาช่วยเฉยนะครับนะครับแต่นี้พระเยซูปเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในถ้ำครับมืดประมาณเขาบอกว่าประมาณฟุตห น, นึ่งอ่ะหรือศอกหนึ่งเนี้ยมองไม่เห็นแล้วที่บอกว่าไปมีการได้ไปแบ่งปันให้เด็กอนุชนบอกว่ามืดตึ๊บอ่ะแบบนั้นอ่ะมืดตึ๊บตึ๊บก็คือมืดจริงๆนะครับมืดแบบว่า ใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะใกล้ๆแค่นี้มองไม่เห็นแล้วนะครับแปลว่ามืดจริงๆนะครับเนีน่ยบอกว่าความสว่างเป็นสิ่งจําเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าความถ้าโลกอมืดความสว่างเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับและเราทั้งหลายก็คือความสว่างที่โลกกําลังเรียกหาครับแล้วที่สําคัญก็คือบอกว่าพระเยซูเราบอกว่าความสว่างเนี่ยไม่สามารถจะปิดบังตัวเองได้โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขา และในสมัยนั้นครับพระเยซูเปรียบเทียบให้เห็นเพราะว่ากรุงเยูซสเลมเนี่ยอยู่บนเนินเขาซิโยนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยใครที่ชอบไปภาคเหนือนะครับเวลาตอนกลางคืนมองขึ้นไปบนภูเขาว่าจะเห็นเลยครับเวลาไฟไหม้ป่ามันมีไฟติดเน่ยเขาก็เห็นเห็นตอนกลางคืนเนี่ยเห็นชัดที่สุดเป็นช่วงเวลาที่คนก็จะเห็นหมดเลยว่าเอ่อตอนกลางคืนเนี่ยบนภูเขาเนี่ยมีมีคนอยู่ตรงไหนบ้าง นะแต่ก็สังเกตแต่จุดที่มีไฟนี่นะครับนะนั่นเะถึงบอกว่าความสว่างไม่อาจสามารถปิดบังตัวเองได้นะครับความสว่างเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในจุดที่มืดมิดที่สุดเนี่ยจะมองเห็นเหมือนเวลาเรามองขึ้นไปบนบนฟ้านะครับที่แบบในคืนที่เดือนมืดมิดจริงๆเนี่ยในสุดแล้วเราก็ยังไปเห็นดาวดวงหนึ่งดวงเล็กๆแต่เราก็เห็นเพราะมันเป็นความสว่างจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่า คนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยจะมองเห็นแสงไฟนะครับไม่ว่าจะอยู่แต่อยู่บนที่สูงเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับและในสมัยนั้นเนี่ยบนภูเ ข, ขาเนี่ยประเทศอิสราเอลมีภูมิประเทศมีเนินเขามากก็เลยจะทําให้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะครซึ่งอยู่บนภูเ ข, ขาจะปิดบังไม่ได้คนนึกภาพออกคนยิวนึกภาพออกนะครับคนพิยซูเลยใช้ภาพพจน์นี้มาเปรียบเทียบนะครับกับคริสเตียนเรานะว่า สาวกของพระองค์และเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ทีนี้ยจะไม่ควรที่จะปิดบงังไม่ควรจะมีชีวิตที่ปิดบงังทําให้คนอื่นไม่เห็นพระเยซูไม่ควรที่จะปิดบงังซ่อนเลนจากสายตาคนอื่นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ตลอดเดือนนี้หรือว่าที่ผ่านมาก่อนถึงเดือนนี้เราเห็นคนทําดีในสังคมมากยิ่งขึ้นเราเห็นมีแต่เราได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆเรื่องหลายก็มีอยู่บ้างะครับแต่เรื่องดีๆเนี่ย กือบจะปิดเ ร, เรื่องที่ไม่ดีส่วนใหญ่ก็คนจะพูดถึงเรื่องดีคนก็เริ่มมาช่วยกันทําความดีมากขึ้นเห็นภาพนี้ชัดเจนนะท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนะครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้แต่พูดมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นั้นเพราะอะไรนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเมื่อตะแกีงถูกจุดประการที่สองอย่าปิดบังความสว่างนะครับในข้อ15บอกเราว่า เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถาังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเคียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นตะเกียงในสมัยนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านเลยที่ทุกบ้านเนี่ยมีตะเกียงนะครับเพราะในบ้านในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีมีตาต่างก็มีอยู่บานเดียวหรือว่าอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยตะเกียงในไม่เพียงแต่จุดตอนกลางคืนนะตอนกลางวันเนี่ย ก็ยังจุดอยู่นะครับในเะพราะในสมัยนั้นเนี่ยบ้านที่บ้านของคนยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นบ้านที่ทําขึ้นด้วยดินเหนียวใช่ไหมครับเอามาเมื่อามาแข็งตัวเนี่ยแล้วก็มาหล่อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบ้านสี่เหลี่ยมก็ปิดทึบนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยตะเกียงเน่ยจึงมีเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกับเกลือที่พระเยซูพูดถึงเกลือลกับตะเกียงนะครับมีทุกบ้านนะครับมีทุกบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเนี่ย คนก็จะรู้คนก็จะพอเข้าใจได้แล้วเมื่อเรามาสังเกตรประโยคที่ว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วนะครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ตะเกียงไม่ถูกจุดนะครับเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูไม่รู้จักพระเจ้านะเราอาจจะยังมาไม่ถึงความสว่างนะนะครับเราอาจจะดาเนินชีวิตที่ไม่แากต่างอปจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า เมื่อตะเกียงไม่ถูกจุดไม่ไม่ถูกจุดความสว่างจะเกิดขึ้นได้ไงรในหนึ่งยอห์นบทที่5 9บบทที่ 5: ข้อบกอกกับเราว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้านะคิสเสียเรารู้นะแต่ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ภายใต้อานุภาพของมั น, นร้ายตะเกียงที่ไม่ถูกจุดนะครับก็ยังอยู่ในความมืดนะครับถูกความมืดปกคลุมนะครับทำให้คนไม่เห็นความสว่าง ล้วที่เรารับรู้เวลาว่ากิจการของความมืดเนี่ยครอบคลุมทั่วไปหมดนะครับโลกเต็มไปด้วยความสัป์ปการะธรรมนะครับโลมาที่1ข้อ29บกอกเราไว้อย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนตะเกียงจะถูกจุดเราําเดินชีวิตในความมืดดำเนินชีวิตอย่างที่ข้อ14พูดถึงนะครับเราอาจจะเหมือนกับนครนะครับที่มีอะไรมาปิดบังไว้ไม่สามารถสําแดงความสว่าง ดำเนินชีวิตแบบเอาความมืดบางความสว่างครับหรือว่าเขามีประโยคที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่เป็นประโยคหที่เขาบอกว่าชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏนะครับคือไม่สัมแดงความสว่างออกมานะครับเป็นคริสเตียนลับๆนะครับเหมือนกับขอบคุณพระเจ้าผมมีโอกาสได้ขึ้นไปแบ่งปันเรื่องโยเซฟที่ปายนะครับโยเซฟ เท่าที่เรารู้พ่อพี่เดิมมีหนึ่งคนนะครับพ่อพี่ใหม่มีสองคนโดยเฉพาะโยเซฟชาวอาริมาเทียครับโยเซฟชาวอาริมาเทียเนะี่ยเหมือนเป็นสาวกลับครับข้อเสียเขาเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้คนระับผมอยากจะแ บ, บ่งปันนิดหนึ่งคนระับโยเซฟเนี่ยวันที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนเนี่ยพระเยซูไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยโยเซฟหาหลุมหาอะไรฝังให้นํามันหอมดูแลอย่างดีแนละ้วคือเป็นภาพเปรียบเทียบเห็นว่า เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราทำดีกับคนที่เราลักอะ่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังเป็นเราไม่ยังไม่สังเวงความสว่างมาในเวลานี้นะครับนะครับยังไม่สัมเวให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้านะอีกหน่อยนะครับเราไม่เห็นเขาแล้วเนี่ยเรามานึกเสียดายทีหลังไม่ได้นะไปทำอะไรไปทำดีเขาไปทำอะไรให้ไม่เกิดประโยชน์นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนที่เป็นคนที่เรารู้จั ก, จกที่เรารู้และเรารักเขา นะถ้าเรายังไม่มีการสําเดงความสว่างให้รู้จักให้เขามารู้จักกับพระเจ้านะครับอีกหน่อยนะครับเราไม่มีประโยชน์ครับไปทําอะไรตอนหลังที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันครับนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการเตือนสติเราเพราะเจ้าจะนะในบ่ายวันนี้ที่เป็นการเตือนสติเราว่าถ้าโลกเต็ไมไปด้วยความมืดเราควรเป็นความสว่างเพื่อที่จะชี้นําเขาเหล่านั้นเพราะเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนะครับ เรานี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนะครับมีรูจร้จักมีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าตอนและพระเยซูมาในชีวิตนะและมีชีวิตเปลี่ยนนะทำให้คนอื่นรอบคนรอบข้างเขาเห็นนะว่าเราชีวิตเราเปลี่ยนนะนั่นแหะเราได้รับสิทธิพิเศษนะพระเจ้าพาเราก็มาอยู่ในครอบครัวขององค์ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะตอบสนองด้วยการสั่มดงความสว่างออกไปนะครับนคอที่อยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้นะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อตะเกียงถูกจุดตะเกียงที่ถูกจุดนะครับย่อม ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงนะครับแล้วเราในฐานที่เราถูกจุดโดยพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งการถูกจุดก็หมายถึงการเราได้รับชีวิตใหม่นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าการบังเกิดใหม่เหมือนผมเนี่ยผมได้รับการบังเกิดใหม่นะครับผมเกิดในครอบครัวคริสเตีย น, นครับนะเกิดกดาเนินชีวิตมาจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่หลงออกไปทางของพระเจ้านะและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยก็เตือนผมให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับ โดยมาได้รับการบังเกิดใหม่นะต้องมาอธิษฐานตัดสายสัมพันธ์เนะ อ, อความผิดความบาปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับทุกท่านที่มารู้จักกับพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาครับแบบเดียวกันเลยครับเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ด้ว ย, วยตัวของเราเองนะเราไม่สามารถที่จะติดสอยห้อยตามติดตามพ่อแม่เป็นคริสเตียนลูกเป็นคริสเตียนไปด้วยกันไม่ใช่ครับถึงเวลานึงเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ววันนั้นก็มาถึงคนระับผมก็ได้รับการจุดจากพระเยซูเช่นเดียวกัน ่องสว่างไม่ใช่ถูกถังครอบนะครับถังในภาษาเดิมนะครับหรือว่าถังในสมัยนานจะเป็นลักษณะ น, นะครับเป็นเป็น เ, เป็นภาชนะนะครับที่ปากเนี่ยเท่ากันหมดเลยดังนั้นเนี่ยวัฒน์ถังครอบไปที่ใดที่หนึ่งครับโดยเฉพาะครอบไปที่ตะเกียงนะครับนะอากาศไม่สามารถเข้าได้และสักพักหนึ่งครับตะเกียงก็จะดับนะครับและถังในที่นี้ยังหมายถึงอิทธิพลของโลกในสมัยปัจจุบัน อิทธิพลหรือค่านิยมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันเรารู้เลยเราลองนึกว่ามีอะไรบ้างที่สามารถดึงเราออกไปจากเวลาที่เราเคยให้พระเจ้ามีอะไรบ้างลองนึกบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเออสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกนะใครๆว่าทากันแต่จริงๆแล้วขอสี่ปัญญาพระเจ้าแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คนส่วนมากเขาทากันคนที่ในสังคมที่เขาทากันเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็มีนะครับเราควรจะเป็นเหมือนกับ คําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับคือเขาเรียกว่าค่านิยมทวนกระแสนะครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องครับไม่ใช่คนหมู่มากก็ทําอะไรพร้อมๆกันแล้วมันจะถูกต้องเสมอไปไม่ใช่นะครับขอพระเจ้าประอานสติปัญญาให้กับเราเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่แท้จริงที่เป็นนามพระทัยพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเราติดตามค่านิยมของโลกนะครับหลงไปนะตามอิทธิพลของโลกนะครับเราก็จะถูกอิทธิพลของโลกครอบคลุม ในในสุดแล้วชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะดับครับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยก็จะก็จะค่อยห่างจากพระเจ้าไปครับนะก็ยังคิดว่าตัวเองยังดำรงชีวิตในถูกนี่ไม่ได้ทาบาปอะไรนี่แต่ว่าค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปในในที่สุดเนี่ยก็จะหลงโอบไปทางของพระเจ้านะแล้วที่สําคัญที่สุดเมื่อเรามีชีวิตห่างออกจากพระเจ้าครับมันเป็นการเสียโอกาสให้กับคนที่เรารักที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ร เ, รรเราจะไม่มีโอกาสได้สัมเด่งความสว่างในชีวิตให้เขาเหล่านั้ น, นให้เข้ามารู้จักกับพระเจ้า เ, เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะ ค, คนที่ยังไม่ได้รับชีวิตก็อาจจะไม่ได้รับชีวิตไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นความสว่างและที่สําคัญก็คือเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเป็นความสว่างเหมือนที่เราควรจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะในยอห์นบทที่ 8: ปดข้อสินะครั บ, บ, 12, รบเมื่อพูดถึงพระเยซูเป็นความสว่างในสมัยนั้นเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันกับในพระคัมภีร์มัธิวนี้ ในสมัยนั้นเนี่ยพระเยซูหมายถึงความสว่างฝ่ายจิตใจหรือจิตวิญญาณเหมือนกับคนตาบอดที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเทศกาลอยู่เพิงนะครับเทศกาลอยู่เพิงเนี่ยเขาเกิดขึ้นนะครับมีเหมือนเป็นมีงานเนี่ยครับมีงานในลานกว้างเนี่ยแล้วก็มีการจุดตะเกียงหลายๆดวงนะครับตะเกียงในสมัยนั้นก็ตะเกียงที่ผ้าชุบน้ํามันเนี่ยจุดนะครับหลายๆดวงก็เกิดขึ้นความสว่างทําให้คนอิสราเอลเขาคิดได้ว่า อ๋อในสมัยก่อนเนี่ยที่พระเจ้านําคนยิวออกมาจากถิ่นธุรกันดารออกมาจากไหนอย่างไหนเนี่ยพระเจ้านําด้วยเสาไฟเป็นแบบเดียวกันให้เห็นภาพว่ามีความสว่างชี้นําะไรเนี่ยแปลว่าพระเจ้าสิทธิ์อยู่ด้วยพระเจ้านําพาเช่นเดียวกันนะครับแล้วค่อยสิ่งที่พปี้ยซูสอนไม่ว่าอยู่ในเทศการต่างๆเนี่ยให้เราเหมือนกับคนยิวก็วจะได้นึกย้อนกลับไปและลึกถึงพระคุณของพระเจ้านะแล้วตัวเองอ่ะเมื่อได้รับพระคุณพระเจ้าแล้วจะดําเนชีวิตยังไงต่อไป เป็นแบบเดียวกันคับเราทั้งหลายในสมัยนี้ที่เวลาเราเข้ามานวัสการณ์พระเจ้าแล้วมาเรียนรู้นะสิ่งที่พระเจ้าบอกเรารับก็กลับไปดูย้อนตัวเราเองดูตัวเราเองว่าแล้วยังไงต่อไปเราจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตของเราเมื่อเมื่อเราได้รับแบบนั้นเช่นเดียวกันครับนะครับเพราะในโลกนี้นะครับมีคนอยู่2ประเภทครับประเภทแรกนะครับคือคนที่มองภาพเล็กนะครับมุ่งหวังแต่เรื่องของตัวเอง สิ่งที่สนใจมากที่สุดก็คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในบัญชีธนาคารนะครับทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยต้องมีความคุ้มค่าถ้าทำมากแล้วได้น้อยถือว่าไม่คุม้มแต่ในที่สุดแล้วอ่ะสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยตัวเลขที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนกับขึ้นมาเพื่อใช้หลอกตัวเองคนประเภทนี้เขาเรียกว่า l o l ลี่แมนนะครับส่วนอีกคนในกลุ่มนึงครับมองภาพใหญ่นะครับ มุ่งหวังเรื่องของสังคมโดยรวมนะครับสิ่งที่สนใจมากที่สุดของเขาก็าคือสังคมจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่เขาทำไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเลขของตัวเองแต่ทำเพื่อความสุขความเป็นอยู่ของคนอื่นนะครับสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนทุกคนแรกแต่ที่ได้คือทุกคนในสังคมจะย้อนนะครับจะมีโอกาสได้รับและเขาก็จะย้อนกลับไปดู ตัวเองเราก็จะมีความสุขใจนะครับคนเหล่านี้เรียกว่าแฮปปี้แมนดังนั้นสิ่งที่จะเป็นในอนาคตต่อไปนะครับเราสามารถเลือกได้จากการกระทําของเราเองนะครับว่าเราจะเลือกที่จะเป็นโ o ลลี่แมนหรือจะเป็นแฮปปี้แมนนะครับเพราะเพราะชนะของพระเจ้ากำลังบอกเราว่าเมื่อตะเกงถูกจุดประการสุดท้ายก็คือจงส่องสว่างออกไป นในข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำํำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เมื่อตะเกียงถูกตั้งบนเชิงตะเกียงนะครับคนก็จะมองเห็นความสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าจุดในบ้านครับเราก็จะเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็จะไม่ทําให้สะดุดหรือล้มลงนะครับ ความสว่างอยู่ที่ไหนความจริงก็จะถูกเปิดเผยนะครับเหมือนกันในสมัยปัจจุบันกันนะครับว่าหลายอย่างในสังคมไทยเริ่มดีขึ้นการทุรทจริตคอรัปชันลดน้อยลงนะครับสิ่ ง, ท, งทุกอย่างถูกเปิดเผยมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นเช่นเดียวกันกับในสมัยนั้นพระเยซูทรงเป็นความจริงนะครับพระองค์สำแดงความจริงเนะี่ยสิ่งที่อยู่ในพระโอษฐ์ของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ควรนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับ เพราะพระเยซูเปิดเผยความจริงผ่านทางพระวจนะแล้วบังเอิญเราทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่บังเอิญครับเราทั้งหลายเกิดจากความจริงเพราะเรามารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรสําแดงความจริงนะครับและพระเยซูตรัสว่าไม่ไม่ใช่เป็นเพียงความสว่างของคนเชื้อชาติภาษาหรือเผ่าพันธ์ใดเผ่าพัาานธุ์หนึ่งนะครับแต่ต้องส่องสว่างออกไปนะครับ ดังนั้นเราควรจะหันกลับมาย้อนดูตัวเราเองว่าเราควรจะทำอะไรให้โลกมีโอกาสได้รู้จักความจริงที่เราได้รู้จักเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมโลกปัจจุบันนะครับเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องนะถึงแม้จะดีดีขึ้นมานะครับแต่ถ้าดังเดิมเนี่ยนะครับเป็นความเท็จความสัสตร์อาธรรมอาศัต์อธรรมนะครับนะบแต่เราต้องรู้จุดที่เราว่าเรารู้จักกับพระเยซูผู้เป็นความชอบธรรม ครับเป็นความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้ย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วเราจะเป็นตะเกียงที่ยอมให้พระเยซูจุดนะครับก็ต้องถามตัวเราเองครับว่าเรายอมที่จะให้พระเยซูจุดในชีวิตเราว่าให้เกิดความสว่างไม่เพียงแต่คนในครอบครัวนะครับไปที่คนรอบข้างบ้านข้างข้าสังคมและในที่สุดก็สว่างไปทั่วโลก เราอาจจะเป็นตะเกียงเพียงดวงเล็กๆดวงเดียวนะครับแต่ขอให้เราภูมิใจครับว่าเมื่อเราถึงแม้เราจะเป็นดวงเล็กๆดวงเดียวนะแต่เรายอมให้พระเยซูจุดนะครับเริ่มแรกเราอาจจะส่องสว่างในมุมเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราทุกคนเนี่ยยอมให้พระเยซูจุดนะผมอยากภาพภาพที่เราเคยเห็นนะครับว่าจะเป็นในช่วงสัปดาศักดิษย์ในเทศกาลอีสเตอร์หรือว่า c a n เดอร์ไลท์เซอร์วในช่วงคริสต์มาสนะครับ ถ้าพี่น้องยังไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นนะมีโอกาสมาร่วมกันนะครับนะแล้วทางโบชถ์จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบมีโอกาสได้มาเมื่อเทียนเราจุดเทียนร้องเพลง Candlelight Service น, น, น, นะครับเราจุดเทียนเล่มแรกค่อยๆจุดนะคมันจะค่อยๆสว่างไปมันเป็นภาพแบบเดียวกันครับในสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่จุดแค่เฉพาะในคริสตจักรเรานะหลายๆคริสตจักรมาจุดรวมกันความสว่างก็จะส่งไปในสังคมในโลกตามลําดับนะครับ พอถ้าเรารวมกันนะครับจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในสุดแล้วจะเกิดความสว่างเราอยากเห็นภาพนี้ไหมครับถ้าอยากเห็นนะครับมีการได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วมีการได้ไปทำด้วยกันนะครับสิ่งที่เมื่อกี้ผมข้ามมานะครับให้เราเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนเริ่มที่จะทำดีมาทำดีนะ เป็นตัวตั้งตัวตีในการทําดีแะเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างถึงโครงการโครงการหนึ่งที่คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นจุดเริ่มอ่ะเป็นจุดของนักร้องคนหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกมีความกระตันยูต่อแม่ครับแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านให้แม่เขาหลังหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจุดเริ่มนั้นอนะ่ะพอไปซื้อบ้านให้คุณแม่เนี่ยเขาก็รู้จกักกับผู้โวยการโรงพยาบาลผู้โวยการโรงพยาบาลก็ ขอว่าเออมาช่วยหน่อยหาหาทุนเพราะว่าคนไข้โรงพยาบาลเห็นภาพชัดเจนนะเวลาผมไมีโอกาสไปเยี่ยมคนไข้โรงพยาบาลของรัฐนะครับมีประเภทที่ต้องรอไม่สามารถไม่มีห้องครับก็ต้องรอนอนรถในทางเดินนะครับรอรอตรงทางเดินเนะียเราไม่ทราบอะไรนะครับจะมีโอกาสได้เข้าไปในห้องนะครฮนะแล้วไม่ไม่เพียงแต่ห้องนะครับไม่ได้พูดถึงห้องอย่างเดียวพูดถึงเครื่องไม้ใช้สอยอีกนะครับ นะครับลองไปฟอกไตนะครับและเด็กๆอ่ะที่จะต้องมีเครื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับออกซิเจนอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันมีรถโดยเฉพาะโรงพยาบาล ท, ท, ทตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี้มากแต่จุดผลอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อจัด ก, การวิ่งการกุศลเนี่ยมันมักจะมีปัญหาปัญหาถึงเรื่องมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะหมดในที่สุดเงินที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเหลือน้อยน้อยนิด ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำที่ดีที่สุดก็คือการออกมาวิ่งของคนคนเดียวนะครับเป็นจุดวิ่งวิ่งไปไกลเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะวิ่งเพื่อที่จะให้เด่นดังอะไรนะครับยิ่งวิ่งนานวันเท่าวิ่งไปหลายพื้นที่มากค่้นเรื่อมัน ก, ก็การสื่อสารถูกบอกออกไปนะครับ นะการสื่อสารถูกออกไปคนก็จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะรู้วงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่บอกถูพูดถึงเรื่องแฮปปี้แมนกับโรลลี่แมนเมื่อกี้นะครับนะเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายซึ่งเราได้รับความสว่างจากพระเจ้านะดังนั้นนะสิ่งที่เราควรจะทําออกไปเนะี่ยควรจะเป็นความสว่างให้กับคนรอบๆตัวแล้วความสว่างให้กับคนในสังคม นะครับเป็นสิ่งที่ละในที่สุดแล้วจะเหมือนกับในพระเจ้าของพระเจ้าที่บอกนะครว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งดีที่ท่านทำอ่ะเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์นะรเราไม่ได้ทำออกไปเนะีเพื่อที่เราจะได้รับอะไรนะครับแต่เราทําไปอะ่ะเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติแล้วก็คนที่เราทำกับเขาเนี่ยเขาจะได้รับชีวิตได้รับชีวิตใหม่โดยเฉพาะชีวิตใหม่ที่เราได้รับมาเหมือนกันนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสุดท้ายผมอยากจะเพระาะอง์ยูเจ้ามีโอกาสได้พูดถึงพระบรมราโช ว, วาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพ ล, พลอดุลยเดชอดีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระองค์เคยได้ให้พระบรมราโช ว, วาสเลยว่าการทําดีนั้นทํายากนะครับและเห็นผลช้าแต่ก็จําเป็นต้องทํา เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีนะครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติในบ่ายวันนี้และขอทุกท่านมีโอกาสได้นำสิ่งที่ได้รับได้ยินได้ฟังไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันครับ